สภากาแฟและภารกิจภาคบ่ายภาพชีวิตในวัดป่าบ้านตาดเป็นภาพที่ละเอียดลึกซึง้งความเข้มงวดของหลวงตาทำให้พระทุกรูปมีวินยัยสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นในช่วงเที่ยงซึ่งเป็นเวลาฉันเครื่องดื่มของพระทั้งวัดเน่นจะเป็นผู้ต้มน้ำร้อนให้เดือด และประเค้นถวายพระเครื่องดื่มทั้งหลายต้องได้รับการประเค้นโดยเนนหรือญาติโยมซึ่งเมื่อได้รับการประเคนแล้วผู้ที่ไม่ใช่พระมาแตะต้องไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นของสงฆ์หากใครมาจับจะต้องประเคนใหม่มิฉะนั้นพระจะฉันไม่ได้เพราะเป็นอาบัติพระแต่ละรูปจะมีม้านั่งของตนเองเก็บไว้รอบศาลาโรงน้าร้อน เป็นม้าเตี้ยๆ เ, เอาไว้รองก้นเพื่อให้นั่งสบายเท่านั้นพระก็จะนั่งรอบศาลาโรงน้ำร้อนเกือบทุกรูปจะหันหน้าไปทางกุฏิหลวงตาท่านจะชงกาแฟน้ำหวานหรือน้ำปานะอื่นๆตามใจชอบผมชอบเรียกว่าคาเฟ่คาบินเนตหรือสภากาแฟพระเ น, นบางรูปเรียกว่าสภาหนูเป็นอันรู้กันว่าเป็นสถานที่ที่จะจับกลุ่มพูดคุยกันได้ แต่พระทุกรูปก็คุยกันเสียงเบาๆด้วยความสงบไม่ส่งเสียงดังเออกระเลิ ก, เ, กเมื่อฉันกาแฟาเสร็จแล้วต่างแยกย้ายกันไปในการฉันอาหารและน้ำพระต้องนั่งฉันให้เรียบร้อยไม่ยืนฉันชงเสร็จแล้วต้องถือไปนั่งในที่ของตนเคยเห็นพระวัดอื่นยืนฉันโอเลี้ยงอาจจะเป็นพระใหม่ก็ได้ราเห็นพระที่มาด้วยกันซึ่งน่าจะเป็นพระพี่เลี้ยง นิมนพระที่ยืนฉันโอเลียงว่านั่งฉันเถอะสบายดีพระใหม่ตอบอย่างสบายใจว่าไม่เป็นไรท่านยืนฉันสบายดีปากพูดเสร็จก็งับหลอดโอเลี้ยงดูดต่อไปอีกพระทิเตือนต้องเตือนซ้ําว่านิมนนั่งฉันเถอะสบายกว่ากันพร้อมกับอธิบายว่าผิดพระวินยัยพระไม่ควรยืนฉันเป็นการไม่สํารวม เมื่อบวชวันแรกก็หาท่ทางที่เหมาะสมนั่งผมเป็นคนตัวใหญ่น้าหนักสมัยนั้นก็เข้าไปเก้สิบกิโลต้องหาที่นั่งพิงเก้าอี้ก็ต้องซ้อนกันสองตัวให้สูงหน่อยพอนั่งได้ไม่ไงหลังหกเมนตีลังกาคนตัวใหญ่นั่งยองๆไม่ไหวต้องใช้ม้านั่งเล็กๆมาต่อกันจึงพอย่อนก้นลงได้เพราะเป็นพระใหม่ยังไม่รู้เรื่องจึงเดินเซอ่อซาเข้ามาในศาลา เลงที่นั่งอยู่นานเห็นเหมาะเจาะอยู่ที่หนึ่งมีเก้าอี้หวายสี่เหลี่ยมเล็กๆตัวงามวางอยู่ข้างเสากลางศาลาถูกใจมากใช้เสาศาลาเป็นที่พิงหลังเหมาะเจาะมากหย่อนตัวจะลงนั่งเสียงพระบอกว่าเป็นที่นั่งของพ่อแม่ครูอาจารย์งงอยู่นานเพราะเป็นวันแรกที่บวชพ่อแม่ครูอาจารย์ใครกันไม่เคยได้ยินทำท่าจะนั่งอีก พระก็รีบเข้ามาบอกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์กําลังจะมาท่านจะมาฉันน้ําปานะเป็นประจําที่ตรงเนี้ยคือที่ของท่านจึงได้รู้ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์คือหลวงตาที่เป็นทั้งพ่อแม่และครูบาอาจารย์เขาจะกินหัวเอาเสียตั้งแต่วันแรกเลยทีเดียวต้องเดินหาที่นั่งใหม่ ผมเป็นพระใหม่ยังไม่รู้จักใครเลยทุกรูปต่างก็หันมามองท่านนพดนหายไปไหนไม่รู้ผมเซ่อซาจนถูกทักมาทีหนึ่งแล้วในที่สุดก็ได้ทำเลเหมาะอีกจุดหนึ่งคือด้านหน้าโรงน้ำร้อนมีลังไม้ฉํำช้าอยู่หนึ่งลังแดดส่องมาถึงกำลังดีอากาศมันเย็นต้องอาศัยแสงแดดช่วยให้อุ่นหน่อยทั้งตัวมีผ้าอยู่สองผืนคือผ้านุ่งและผ้าอาบเท่านั้นตั้งแต่นั้นมา จึงยึดเป็นที่นั่งประจําไม่มีใครมานั่งเพราะเป็นจุดอันตรายไม่มีที่หลบที่บงังหันหน้าออกสู่ถนนหน้าวัดอาบแดดอุ่นๆตอนเที่ยงพอทนได้กําลังดีช่วงนั้นอากาศหนาวจริงๆสิบองศาระหว่างชั้นกาแฟราจะคุยกันด้วยเสียงเบาๆอยู่รอบศาลาส่วนสายตาก็คอยมองลอดไปใต้ถุนศาลาอยู่ตลอดเวลาหากเห็นเท้าหลวงตาเดินมาเมื่อไหร่ เสียงคุยก็จะเงียบลงทันทีซึ่งเป็นสัญญาณให้พระแต่ละรูปใช้วิชานินจาหายแวบไปอย่างรวดเร็วไม่เหลือแม้แต่รูปเดียวในโรงน้ําชาคงเหลือแต่พระฝรังโดยเฉพาะท่านปัญญาจะคอยอยู่เป็นผู้สนทนากับหลวงตาความกลัวเกรงหลวงตาของพระทุกรูปถ่ายทอดต่อต่อกันมาพระทุกรูปจะไม่อยากทาอะไรที่อยู่ในสายตาของท่านเพราะต้องระวังตัวตลอด มักจะแอบมองจากพุ่มไม้ที่กำบังตนอย่างมิดชิดยกเว้นพระเวรที่ต้องคอยดูแลรักษาศาลาที่จะต้องคอยดูแลท่านคอยรายงานว่าวันนี้มีพระกี่รูปมีใครมาบ้างพระเวรนี้จะมีการหมุนเวียนกันไปมีหน้าที่คอยเปิดปิดประตูใหญ่ที่ใช้เข้าออกวัดหรือเมื่อมีญาติโยมมาเข้าพบหลวงตาก็จะเข้าไปกราบเรียนหลวงตาให้ทราบเสียก่อนจึงนำเข้าไปพบท่านที่กุฏิหากท่านสะดวก ไม่ติดเดินจงกรมหรือภารกิจอื่นน้ำปานะของหลวงตามีพระคอยดูแลชงและประเคนให้ท่านของที่ท่านได้นอกเวลามีน้ำปานะและเครื่องดื่มต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะมีน้ำตาลผสมอยู่เพราะฉันเพียงมือเดียวจึงต้องใช้ความหวานเป็นสเสบียงตลอดเวลาปกติผมไม่ชอบน้ำตาลแต่เมื่อเข้ามาอยู่วัดได้สองวัน ต้องใช้น้ำตาล 2-3 สมช้อนในกาแฟาดำหรือโอโยะหนึ่ง uh โจกหรือประมาณกระบอกสแตนเลสขนาดกลางต้องใช้ความหวานเข้าช่วยหน่อยจึงอยู่ได้อย่างสบายโดยไม่หิวมะขามป้อมมะกอกกระเทียมเกลือพริกขี้หนูใบชะพลูอนุโลมให้ฉันได้จัดว่าเป็นประเภทยาวันแรกๆไม่ได้คิดว่าจะลองต่อมาเห็นพระบางรูปนั่งฉันอยู่ข้างศาลา มองดูแล้วไม่เห็นจะน่าอร่อยที่ตรงไหนเมื่อดูอยู่หลายวันจึงอยากจะลองบ้างพระรูปอื่นฉันได้หลา ย, ลายคําโดยเฉพาะพระทางอีสานผมจึงค่อยเลียบเคียงขอลองสักหน่อยมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกกลิ่นกระเทียมเกลือใบชะพลูผสมกลมกลืนกันตามด้วยโอเลี้ยงอร่อยไปอีกแบบเป็นยาระบายอ่อนๆคล้ายๆเมี่ยงคําแต่ไม่มีมะพร้าวคั่ว มะกอกที่ใช้เป็นมะกอกเนื้อแข็งกรอบจิ้มเกลือเข้ากันได้อย่างดีฉันสดก็ได้จิ้มเกลือนิดหน่อยหรือดองเปรี้ยวดองเค็มอีกวิธีหนึ่งก็คือนำไปเชื่อมน้ำตาลให้เข้ากันมากยิ่งขึ้นโดยหั่นมะกอกเป็นชิ้นชิ้นขนาดพอคำเคี่ยวน้ำตาลให้เหนียวคล้ายกะละแมใส่มะกอกที่หั่นแล้วลงไปเติมเกลือไปสักหน่อยให้ได้สามรสเคี่ยวจนเหนียวคล้ายทอฟฟี่ และตัดเป็นก้อนๆขนาดเล็กพอใส่ปากได้รสชาติท็อฟฟี่ก ล, ละแมมะก อ, อกเนี่ยรสหวานติดขมนิดหน่อยเค็มจะเกลือเล็กน้อยยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลินติดเหงือ่อติดฟันติดกันนุงนางอร่อยจนต้องขอเคี้ยวอมไปเรื่อยๆถือว่าไม่ผิดกติกาเพราะนี่คือยาระบายตอนบ่ายรับทุกรูปต้องดูแลทาความสะอาด กวาดลานวัดเทขยะโยกน้ําขัดศาลาโดยไม่ต้องบอกว่าใครต้องการจะทําอะไรถ้าใครมีหน้าที่และชอบงานแบบไหนเลือกได้ไม่บังคับใครอยากเลี้ยงหมาก็เลี้ยงใครอยากขัดศาลาก็สามารถทําได้ทุกชนิดที่ต้องการและให้เสร็จเรียบร้อยในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งราบทุกรูปในวัดต้องออกมาทํางานยกเว้นพระที่ป่วย ผมคว้ามไม่กวาดไล่กวาดใบไม้ออกจากทางเดินให้เข้ามารวมในพงหญ้าโคนต้นไม้ตั้งใจว่าจะกวาดเรื่อยไปจนถึงศาลาจึงจะขึ้นไปขัดพื้นศาลากวาดไปได้10บกว่า9ก้าเสียงท้องร้องเหมือนมีรถถังขบวนใหญ่ๆมาวิ่งในท้องความอร่อยของท็อฟฟี่มะกอกเริ่มแผลงฤทธิ์ความรู้สึกตอนนั้นบอกว่าต้องหาทางเข้าห้องน้เป็นการด่วนที่สุดมันเป็นยาระบายจริงๆไม่ผิดกติ ก, กา วิท์บึ้มครั้งเดียวเท่านั้นหมดไส้หมดพุงไม่เหลือตัวเบาโงงลดน้ำหนักไปได้หลายกิโลทีเดียวใครไม่เคยลองน่าจะลองดูเข้าวัดป่าบ้านตาดเมื่อไรลองดูก็ได้ขอให้อยู่ใกล้ฐานหรือห้องน้ำให้มากที่สุดเพื่อความสบายใจคืนนั้นทั้งคืนต้องอาศัยน้ำร้อนจากกระติกจิบแก้หิวผลลั์ของมะกอกเชื่อมเนี่ยมีประสิทธิภาพในการล้างท้องได้เป็นอย่างดี สองชั่วโมงไม่เกินนั้นตัวจะเบาน้ำหนักลดไปได้หลายกิโลฤิ์เดทยิ่งกว่ายาน้ำระดมพลสามเท่าบินทบาทโปรดญาติโยม ช้าวันแรกที่ต้องออกบินธบาต ท, ท่า น, นพภรดลต้องช่วยแนะนำการห่มจีวรให้ใหม่และสอนการสะพายบาทห่มจีวรก็ยังไม่ค่อยได้ไหนจะจีวรไหนจะบาทช่วงแรกให้บินธบาตในวัดบริเวณที่พักของโยมผู้หญิงสายนี้เป็นสายของพระบวชใหม่และพระชราเช่นท่านปัญญาท่านกรดและท่านนัดท่านเหล่านี้จะเดินตามกันไปตามลาดับอาวุโสโดยนับอายุพรรษาที่บวชเรียงลาดับจากมากไปน้อย พระที่บวชใหม่หรือพระที่อาวุโสน้อยที่สุดต้องเดินตามหลังผมเป็นรูปที่สี่ทุกเช้าเวลาตีห้ก่อนออกไปบินธบาติราทุกองค์ทยอยกันขึ้นศาลากราบพระพุทธรูปองค์แทนพระพุทธเจ้าและภาพพ่อแม่ครูอาจารย์อีกหลายรูปที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการแสดงความเคารพด้วยความละเอียดบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมพระจึงกราบหลายครั้ง ซึ่งปกติจะกราบสามครั้งคือกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการกราบแบบเบญจานคประดิษฐ์จากนั้นก็กราบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มีรูปแสดงไว้เพื่อเป็นที่เคารพกราบไหวอีกรูปละหนึ่งครั้งต่อจากนั้นพระก็จะทำธุระประจาบนศาลาคือการจัดของทั้งหลายที่ต้องใช้ในตอนเช้าจัดอาสนะของตัวเองว่าอยู่ที่ไหนพระบวชใหม่ต้องนั่งเป็นรูปสุดท้ายของพระก่อนถึงเนน จัดที่นั่งวางกาน้ำจัดบาทให้พร้อมสำหรับออกบินธบาทรูดสายสพายให้แน่นจัดสลกบาทให้พร้อมวางขาตั้งบาทให้ประจำที่ไว้รองบาทเมื่อกลับมาถึงจัดวางถาดถ้วยชามสำหรับฉันเชา้าเช็ดถูปัดกวาดพื้นศาลาให้สะอาดอีกครั้ง <from the> <description> การจัดสายบินธบาทของวัดป่าบ้านตาดแบ่งออกเป็นสายนอกสองสายและสายในหนึ่งสาย สายนอกทั้งสองสายออกจากวัดพร้อมกันเวลาหกนาฬิกาสายแรกเป็นพระหนุ่มๆที่เดินทนเดินเร็วเพราะทางเดินเป็นลูกรังแยกออกไปทางซ้ายมือและสายที่สองคือสายบ้านตาดเป็นสายที่มีพระอายุปานกลางเดินสบายถนนลาดยางเรียบหลวงตาอยู่ในสายนี้ทั้งสองสายจะมาบรรจบกันที่บ้านตาดัด หลวงตาจะออกเดินจากวัดโดยใช้การกาหนดเวลาที่ทั้งสองสายมาพบกับหลวงตาได้พอดีโดยหลวงตาจะเดินจงกรมบนศาลาก่อนออกเดินจากวัดและนำรับบาตรที่หมู่บ้านเรื่อยมาจนถึงประตูวัดส่วนสายในวัดคือสายพระที่มีอาวุโสมากและพระที่เพิ่งบวชใหม่บิณฑบาตในเขตวัดซึ่งเป็นเขตของโยมผู้หญิงที่มาถือศีลภาวนาอยู่ในวัดระยะทางนิดเดียวจะออกเป็นสายสุดท้าย และกลับมาพอดีกันทั้งสมสายหากอยู่ในพัรสาก็ออกไปรับบาดหน้าวัดหลวงตารับบาดเป็นประจำทุกวันจากหมู่บ้านจนถึงหน้าวัดที่มีประชาชนลูกศิษย์ลูกหาตั้งแถวรอคอยใส่บาด ท, ทั้งสองฝั่งเพิงที่ทำไว้สาหรับใส่บาดหน้าวัดก็ปลูกอย่างง่ายๆเพียงพอที่จะกันฝนเมื่อยามที่ฝนลงผู้ที่จะใส่บาดต้องมาจัดเตรียมวางอาหารที่ใส่บาดต่อๆกันไปตลอดเพิง ลูกเล็กเด็กแดงเฝ้ารอคอยพระที่เดินเรียงแถวกันมามือถือร่มกันฝนที่โปรยลงมาตลอดทางสะายบาดสีเหลืองมูมัวของจีวรตัดกับสีดําของร่มขณะพระเดินเรียงแถวตรงเข้าวัดจากจุดเล็กๆมูมัวค่อยๆขยายขึ้นทีละน้อยตามการก้าวเดินของพระที่แหวกม่านฝนมายืนอยู่ตรงหน้าของผู้ที่รอใส่บาดญาติโยมตั้งใจใส่บาดด้วยความสำรวม จังหวะก้าวเดินของพระเป็นจังหวะเดียวกันกันกบการใส่อาหารลงในบาทของบรรดาลูกศิษย์อย่างต่อเนื่องเป็นภาพที่สวยงามลูกเล็กเด็กน้อยที่มาพร้อมกับครอบครัวได้รับการถ่ายทอดสายธรรมที่มีต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นจากญาติโยมกับพระภิกษุต่อเนื่องไปจนถึงหลวงตาที่เป็นจุดสุดยอดของสายธรรมที่วัดป่าบ้านตาดบาทแล้วบาทเล่าที่ต้องถ่ายเทออกเพื่อรับบาทใหม่จากญาติโยม ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการรับบุญกุศลที่ได้จากการใส่บาตรทำบุญภาพที่ญาติโยมยกมือท่วมหัวหลังจากใส่บาตรเสร็จสิ้นแล้วเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมจิตใจที่ศรัทธาต่อธรรมของหลวงตาการยอมรับอย่างซีโรราบน้อมรับความเมตตาของหลวงตาที่เหมือนแสงสว่างที่ฉายลงมาสู่ชีวิตที่ให้ความอบอุ่น ให้การคุ้มครองดุจ ด, ดังแสงทิพย์ที่ให้พลังอย่างไม่มีวันหมดหลวงตาให้พรพร้อมทั้งกำชับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนให้ระวังตัวไม่หลงระเริงไปกับกิเลสตัณหาให้เร่งหาธรรมะเพื่อแก้ไขตัวเองโดยการพิจารณาจากตัวเราเองออกไปว่าประพฤติดีหรือยังรักษาวิถีสมาธิได้หรือไม่ดูตัวเราเองเสก่อนหลวงตาเตือนสติเราอยู่เสมอ ด้วยการชี้แจงข้อสงสัยหรือแม้กระทั่งเพียงคิดขึ้นมาหลวงตา ก, ก็จะชี้แจงให้หายสงสัยได้อย่างอัศจรรย์ทำให้เราต้องระวังตัวไม่ให้หลงระเริงไปตามกิเลสตัณหามีความรู้สึกตลอดเวลาว่ากลัวหลวงตาเห็นเพราะไม่มีอะไรซ่อนเร้นท่านได้ หลังไหลมาใส่บาทในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมและมกราคมเป็นช่วงเวลาที่อากาศน่าสบายที่สุดของวัดป่าบ้านตาดอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิ 12-16 องศาเรียกว่าเย็นสบายสำหรับผมแต่อาจจะหนาวสำหรับชาวบ้านเวลาพูดมีควันลอยพุ่งออกจากปาก ชาวบ้านจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ากันหนาวสีสดใสต่างตั้งใจมาวัดทำบุญใส่บาตรด้วยความกระตือรือร้นสีหน้าอิ่มบุญสดใสสภายกระติบข้าวเหนียวที่หุงสุกใหม่ๆมารอใส่บาตรตามรายทางที่ตนสะดวกระยะทางจากวัดไปถึงบ้านตาดไม่ไกลนักประมาณ 2-3 กิโลเมตรพอเดินได้ ช่วงเช้าเป็นช่วงที่ในวัดยุ่งที่สุดมีทั้งคนจากบ้านตาดคนจากในเมืองและผู้คนที่หลั่งไหลมาจากที่ต่างๆรวมทั้งจากกรุงเทพเดินทางมุ่งมาทําบุญมาถึงวัดพอดีได้ใส่บาตรลงตามมหาบัวซึ่งทุกคนตั้งจุดมุ่งหมายขอให้ได้มาใส่บาตรท่านได้มีโอกาสรับฟังเทศนาธรรมจากท่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตถือเป็นมงคลของชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดทุกคนมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่หน้าวัด ต่างคนต่างมาร่วมทาบุญนับเป็นศูนย์รวมพลของคนไทยที่นับถือและศรัทธาในหลวงตาท่านกิตติศัพท์เล่าลือในความดุเข้มงวดของท่านไม่ได้ทำให้คนขยาบขาดหายกลับหนุนเนื่องแน่นเต็มหน้าวัดทุกวันโดยเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์หรือวันพระและวันหยุดราชการผู้คนมาจากทั่วสารทิศทุกคนยิ้มยามแจ่มใสให้กันเฝ้ารอใส่บาตอย่างอดทน ทางวัดได้ทำเพลิงกันฝนให้สำหรับญาติโยมที่มาใส่บาตรในกรณีที่ฝนตกเป็นเพิงสังกษีง่ายๆทำด้วยไม้ไผ่ขุดหลุมฝังเสาผูกมัดเป็นเพิงต่อเนื่องอยู่ข้างถนนยาวประมาณ100เมตรเศษจากถนนจนถึงประตูวัดเมื่อขบวนของหลวงตามหาบัวมาถึงบริเวณที่ญาติโยมมาคอยใส่บาตรหลวงตาจะนาหน้าพระออกเปิดบาตรรับอาหารที่ญาติโยมนามาถวายมากมาย ภาพที่ญาติโยมพากันถอดรองเท้านั่งยองๆกับพื้นยกกระติบข้าวถาดอาหารขึ้นจรดหน้าผากอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ลงลับไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวรเป็นภาพที่หาดูได้ยากในกรุงเทพเพราะชาวบ้านเหล่านั้นไม่ได้ใส่บาตรตามประเพณีเฉพาะบางโอกาสหรือโอกาสพิเศษเท่านั้นหากแต่ใส่บาตรเป็นประจำทุกวันถือเป็นวัดปฏิบัติที่ไม่ยอมให้ขาด ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องมีส่วนบำรุงให้พระและวัดอยู่ได้โดยไม่ขัดสนเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยเหมือนคนกรุงเทพต้องหาเชากินขํา <c oughs> ก็ยังอุตส่าห์เจียดเงินซื้อข้าวซื้อปลาจัดอาหารถวายพระและพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาที่เขารักและเคารพเพราะทุกคนได้ประจักษ์แล้วว่าหลวงตามหาบัวและวัดป่าบ้านตาดเป็นทุกอย่างที่พวกเขาจะพึ่งพาได้ แม้กระทั่งพื้นที่ร้อยไร่เศษที่เป็นที่ของวัดนั้นยังคงไว้ซึ่งความเป็นป่าอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะท่านรักษาไว้เราจรึงยังได้เห็นต้นไม้ใหญ่รวมกลุ่มกันเป็นป่าผืนน้อยก็เพียงในบริเวณวัดเท่านั้นพอผลเขตวัดก็หาไม้ยืนต้นเกาะกลุ่มกันแบบนี้ได้ยากขึ้นทุกที หรวงตารับบาดจากญาติโยมบาทแล้วบาทเล่าลโดยมีผู้คอยดูแลถ่ายอาหารออกจากบาดเพื่อความสะดวกแก่ท่านตลอดทางแล้วนำไปรวบรวมไว้ที่ศาลาฉันส่วนที่เหลือจากการฉันในแต่ละวันก็กระจายออกไปนอกวัดเช่นรวบรวมไปให้ตามโรงเรียนต่างๆข้าวสารอาหารกระป๋องจะถูกแยกไว้ในโรงเก็บของข้างโรงน้าร้อนเพื่อรอการเบิกจ่ายนาไปถวายวัดที่กันดานทุกวัน รงเก็บของเหมือนสโตอโกลางของห้างสรรสินค้าสากลเก็บทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันอาหารกระป๋องหนังสือบริการต่างๆเพื่อส่งเคราะห์ออกไปให้สถานที่ต่างๆที่มีความจำเป็นอายร้อนที่พวยพุ่งจากกระติบข้าวเหนียวร้อนๆที่ชาวบ้านจกข้าวใส่บาดและควันไอจากบาดพระเป็นควันขาวที่สวยงามพุ่งขึ้นเหมือนหมอกยามเช้าเมื่อกระทบกับความร้อนของแสงอาทิตย์ เปรียบดังพลังบุญที่ออกมาจากกระติ๊บข้าวเป็นแถวตามรายทางที่ญาติโยมจบข้าวใส่บาตร